ส่วนโดยผลนะ่ะถ้าหากว่าผู้ที่ถึงไตราสารณาคมอย่างนี้แล้วนะจะมีผลอย่างไรมีอ น, นิสงส์อย่างไรก็มีอ น, นิสงส์อย่างที่พระองค์ตรัสว่าชนเหล่าได้เหล่าหนึง่งถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะชนเหล่านั้นละกายมนุษย์ไปแล้วจะไม่เข้าถึงอบายภูมิจกทําหมู่เทพให้บริบูรณ์เนี่ยนะอันนี้มีหลายสูตรที่กล่าวถึงลักษณะนี้ว่าผู้ที่ถึงไตราสารณาคมจริงๆเนี่ยนะอย่างไรเสีย ด้วยกุศลจิตอันนั้นเนี่ยนะถ้ากุศลจิตอันนั้นเกิดในเวลาใกล้จะจุตินี่นะสุคติเขาก็หวังได้อบายพรมเขาก็ไม่ไปแบบนั้นเพราะฉะนั้นชนเหล่าใดถึงสารณะด้วยการตัดขาดอุปกิเลสได้ด้วยขาดด้วยสารณะชนเหล่านั้นจักไม่ไปอบายผู้ที่ถึงไตรสาระคมแบบจริงๆเลยนะระดับพ่าริยเจ้าทั้งหลายต ตัดกิเลสได้มีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะเข้าถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆคนเหล่านี้ปิดอบายได้แน่นอนเหมาอนกันนะเพราะตัดขาดอุปกิเลสได้แล้วส่วนชนนอกนั้นจกไม่ไปอบายด้วยการถึงสารณะคือปุถุชนทั้งหลายเนี่ยนะอาศัยสารณะนี่แหละเหมือนกับเป็นสะพานเชื่อมให้ไม่ไปสู่อบายนี่ยนะแต่ถ้าผ้าอริยะนี้ท่านบรรลุมรรคผลแล้วยังไงท่านก็ไม่ไปอบายเนี่ยนะอันนี้ก็ด้วยผลของการถึงไตรสารณะเหมือนกัน หรืออีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าผลของการถึงไตรสรณคมก็ทําให้ได้ภาวะสัมปทาถึงพร้อมด้วยภพเนี่ยนะถ้าผลของการถึงไตรสรณคมอาจจะยังเลวกว่าพวกเลยก็มาเกิดเป็นมนุษย์หรืออาจจะไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์เป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นผลของการถึงไตรสรณคมหรือทําให้มีโภคสัมปทาถึงพร้อมด้วยโภคสมบัติทั้งหลายเนี่ยนะถึงพร้อมด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโพธะเนี่ยนะอายุยศเป็นต้นเนี่ยนะ ทำให้มีอธิปไตยที่เป็นทิพย์เป็นต้นมั น, นโภคสมบัติทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นก็เป็นผลมาจากการถึงไตรสารณาคมเนี่ยนะและอย่างหนึ่งนะการถึงไตรสารณาคมเนี่ยนะมีผลมากมีอนิสงฆ์มากกว่าการถวายเสนาสะนะเป็นทานให้แก่สงฆ์ที่มาจากทิศ ท, ทั้ง4ี่เนี่ยนะตามเวลามาสูตรเนี่ยเพราะว่าโดยทั่วๆไปเนี่ยนะการสร้างวิหารสร้างเสนาสะนะ ให้แก่สงที่มาจากที่ทั้งสีน่นี้ก็นับว่ามีผลมากเมียใ น, นสง์มากอยู่แล้วแต่จิตตุบาทที่ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสาระมีพระพุทธเจ้าเป็นสาระนำไปในเบื้องหน้าจิตตุบาทอย่างนี้เนี่ยนะมีผลมากเมียใ น, นสงมากกว่าการสร้างเสนาสนะให้แก่สงที่มาจากที่ทั้งสี่อีกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการถึงไตรสารณาคมเนี่ยนะนับว่าเป็น เป็นวิธีการทำบุญที่ไม่ต้องลงทุนมากแต่มีผลมหาศาลว่างั้นคือลงทุนไม่ต้องลงทุนในรูปแบบของกายวาจาอะไรแต่ว่ากุศลจิตที่ที่ยอมรับนับถือเนี่ยนะกุศลจิตอันนั้นมีผลมากที่กล่าวไปทั้งหมดนั้นลักษณะของการถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเนี่ยนะก็พยายามทำความเข้าใจคำว่าพระพุทธเจ้าคำว่าสารณะ แล้วก็ตัวผู้ถึงเองเนี่ยนะแค่ไหนจริงชื่อว่าถึงสารณะเนี่ยนะถ้าหากว่าสามารถตอบคําตอบเหล่านี้ได้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะอย่างแท้จริงทีนี้ถ้าพูดโดยอัฏฐะก็โดยพยัญชนะก่อนนะว่าพูดถึงธรรมะบ้างนะธรรมังสรารนังข้าฉามิสังขังสรารนังข้าฉามินี้คําว่าธรรมังเนี่ยนะแค่ไหนคําว่าธรรมะเนี่ยนะ ถ้าตามคูธทกะปาฐะท่านชอบว่าคำว่าธรรมะได้แก่อริยมรรคกับนิพพานเนี่ยนะท่านท่านสันเสริญสองอย่างนี้เนี่ยนะแล้วท่านก็ยกเอ่อท่านให้เหตุผลว่าเชื่อว่าธรรมะในอัฏฐานี้เพราะผู้เจริญมรรคและผู้ทำให้แจ้งพระนิพพานแล้วโดยไม่ให้ตกไปในอบายทั้งหลายและก็ทำให้โปร่งใจเป็นอย่างยิ่งเนี่ยนะ เขาบอกว่าคำว่าธรรมะเนี่ยนะทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมะในที่นี้ตามคุถกะปาถะท่านชื่นชมอยู่สองอย่างคืออริยมรรั์นิพพานมาเงนแล้วท่านก็ยกข้อความในอักับภาษาทสูรเป็นเครื่องสาธกว่าดูความพิสูจนทั้งหลายสังคตะธรรมมีประมาณเพียงใดอริยมรรตประกอบด้วยองค์8 ท่านกล่าวว่าเป็นยอดของสังคตะธรรมเหล่านั้นเนนะเพราะฉะนั้นท่านยกย่องอริยมรรคนิพพานแต่ถ้าหากว่าตามอัตถกถาคุตกานิกายอิติวุตกะปุตสูตรเนี่ยนะท่านก็บอกว่าคำว่าพระธรรมท่านบอกว่าได้แก่มรรคผลนิพพานและพระไตรปิฎกเมักนเถอะมรรคผลนิพพานและพระไตรปิฎกเนี่ยชื่อว่าธรรมะ แล้วท่านก็ยกข้อความในฉัตตานวกกะวิมานวัตถุในคำภีวิมานวัตถุว่าที่พระพุทธพจน์ตรัสกับฉัตตานพว่าท่านจงเข้าถึงพระธรรมอันเป็นธรรมะคลายกำหนัดนะค่าธรรมะคลายกำหนัดก็คือวิราคะหมายถึงอริยมรรคธรรมะไม่หวั่นไหวธรรมะที่ไม่มีความเศร้าโศกเนี่ยนะอเนชังอโศกังหมายถึงอริยผลทั้งหลาย แล้วก็ธรรมะอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้เนี่ยนะซึ่งหมายถึงอาสังฆตาธรรมได้แก่นิพพานธรรมะที่ไม่ปฏิกูลธรรมะที่ไพเราะธรรมะที่ซื่อตรงเป็นธรรมะอันพระผู้มีพระภาคทรงจําแนกดีแล้วนี้เพื่อเป็นสารณะคือที่พึ่งเทดิดบงงังานเนี่ยนะอัปปติกูลังมัทุรังปะคุนังเนี่ยนะสุวิพัตตังเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นชื่อของพระไตรปิฎกนั่นเองเนี่ยนะปิฎกสาม เพราะฉะนั้นคำว่าทำมังสารนาังฆาชามิตามอัตกรถาปุตตสูตรซึ่งท่านอ้างวิมานวัตถุมานั้นก็ได้แก่อริยมรรยผลนิพานและพระไตรปิฎกเนี่ยนะชื่อว่าธรรมะแล้วพระพุทธเจ้าก็แนะนำให้ชัตะมานพเนี่ยนะถึงธรรมะสี่อย่างเหล่านี้แหละว่าเป็นสารณะเนี่ยนะว่าเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องกำจัดภัยจริงๆเลยนะคาว่าธรรมะ คำว่าสารณะคำว่าผู้ถึงสารณะก็คงเข้าใจน ะ, ะคำว่าธรรมะเป็นชื่อของมรรคผลนิพพานและปริยัตเนี่ยนะคำว่าสารณะก็คื อ, อพระธรรมเหล่านี้กําจัดภัยให้เราเรานี่มีพระธรรมเหล่านี้เป็นที่ไปในเบื้องหน้าอันนี้ชื่อว่าสารณะเนี่ยนะเสร็จแล้วขอบเขตแค่ไหนจึงจะชื่อว่าสารณะเราไม่ขาดสารณะไม่ ไม่เศร้าหมองเป็นต้นก็เหมือนกับที่กล่าวไปแล้วทีนี้ก็เลยไปที่สังครังสระนังฆาชามีบ้างนะกลุ่มของบุคคลทั้งหลายผู้พรั่งพร้อมด้วยอริยมรรสีและผู้มีขันธสันดานอ บ, บรมยิ่งด้วยสามัญญผลสีชื่อว่าพระสงฆ์เพราะรวมตัวกันด้วยการรวมของศีลและทิฏฐิคือเสมอการด้วยศีลเสมอการด้วยทิฏฐิ เพราะฉะนั้นคำว่าสงในที่นี้ประสงค์เอาผู้ที่ได้อริยมักผู้ที่ได้อาริยผลชื่อว่าสงจริงๆนะครับสมดังที่พระพุทธจเจ้าตรัสว่าดูก่นอนอานนท์เธอจะสําคัญความโค้นนั้นเป็นชไหนธรรมะเหล่าใดที่เราแสดงเพื่อความรู้ยิ่งสําหรับเธอทั้งหลายเนี่ยนะให้รู้ยิ่งคือให้เจริญให้ปฏิบัติตามนั่นแหละคือสติปัฏฐาน 4, สี่ส ม, มปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่อินทรีห้า พระห้าพ่ชงเจ็ดอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ปดเนี่ยนะอ น, นุนเธอจะไม่เห็นที่สุแม้สองรูปมีวาทะต่างกันในธรรมะเหล่านี้เลย ผู้ที่อบรมโพธิปักขยธรรมจนถึงความบริบูรณ์เนี่ย น, นะเพราะว่าโพธิปัจขยธรรมจะบริบูรณ์ในขณะโซดาปฏิมักสกะธาคามิมกักอนนาคามิมักและอรหัตตมักผลของมักเหล่านั้นนนั้ชื่อว่าอาริยผลทั้งหลายผู้ที่ได้บรรลุมักผลเหล่านี้ท่านเหล่านั้นจะไม่มีวาจาที่แตกต่างกันเลยเนี่ยนะคือไม่พูดว่าโอ้ยสติปัณานมันเป็นอย่างนี้สัมมาปัณานเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะ ภ้าระยะเหล่านี้จะไม่ถกเถียงกันในปัญหาในเรื่องโพสทธิปัจจยธรรมเลยท่านจะไม่คุยแตกต่างกันเลยนนะพระพุทธเจ้าพูดก็เหมือนกันพระสาวกทั้งหลายพูดก็เหมือนกันท่านจะพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยนะถ้าภ้าระยะจริงๆนะเพราะว่าท่านนิเสมอกันด้วยศีลและทิฏฐิทั้งหลายเพราะว่าศีลของพระโสดาบันทิฏฐิของพระโสดาบันก็เสมอกันกับ พระโสดาบันทั้งหลายพระสกะทาคามีก็เสมอกันด้วยพระสกะทาคามีทั้งหลายพระอนาคามีหรือพระอรหันต์พระอรหันต์ก็เสมอกันด้วยพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านจะไม่ถกเถียงกันในเรื่องโทที่ปักขยธรรมไม่มีวาทะที่แตกต่างกันเลยวางั้นเพราะฉะนั้นนี้พูดถึงพระสง์โดยประมัดว่างั้นนะพระสงค์โดยสภาวะนะ ที่เรียกว่าสุปฏิปันโนอุชูปฏิปันโนญั h ปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนหันสุปฏิปันโนจริงๆหรือสาวกของพระพุทธเจ้าจริงๆก็ต้องเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยมรรคและผลเพราะว่าอันบุคคลพูดถึงว่าเป็นสาระในพระสู่ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ควรของคํานับควรของต้อนรับควรของทําบุญ ควรทำอันชฉลีคือการยกมือไหว้เป็นนาบุญของโลกอันยอดเยี่ยมเนี่ยนะเจริว่าอาหุเนยโยปาหุเนยโยดัคคิเนยโยอันชฉลีกรณียโยอนุตรังปุญยกเขตตังโลกาสัตเนี่ยนะเพราะคุณผู้ที่มีคุณธรรมอย่างที่ว่าไปเนี่ยจึงจะชื่อว่าพระสงฆ์จริงๆสาระคมของผู้ที่ถึงสาระนั้นเนี่ยนะย่อมไม่ขาดไม่เศร้าหมองด้วยการทาการไหว้ เป็นต้นในภิกษุสงฆ์หรือภิกษุณีสงฆ์แม้หมู่อื่นเนี่ยนะหรือไอคำว่ามู่อื่นคือผู้ที่ไม่ใช่อริยะเนี่ยนะถึงไปไหว้ภิกษุหรือภิกษุณีสงฆ์ที่ไม่ใช่อริยะหรือพระสงฆ์ทั้งหลายที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขหรือสมมุติสงฆ์ไอคำว่าสมมุติสงฆ์เนี่ยนะคือหมายถึงพระภิกษุสี่รูปที่ทํากรรมโดยจตุวัตจตุวัตหมายคือว่ามีภิกษุสี่รูปและทํากรรมร่วมกันเนี่ยนะห้ารูป หกรูปเป็นต้นไปเนี่ยนะทำกรรมโดยทําโดยวินายอย่างนั้นเขาเรียกว่าสมมุติสงฆ์หรืออาจจะไหวในบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่บวชเจาะจงต่อพระพุทธเจ้า น, นะการไหว้บุคคลทั้งหลายเหล่านั้นสารณะก็ไม่ขาดสารณะก็ไม่ไม่เศร้าหมองอเพราะว่าบุคคลที่เป็นสารณะของเราจริงๆเนี่ยนะจำไว้ว่าคําว่าสงฆ์ที่เป็นสารณะหมายถึง ผู้ที่ได้บรรลุมรสี 4, ผลสีนั่นแหละคือคือพระสงค์ที่เป็นสารณะของเราบุคคลที่ต่างไปจากนั้นเนี่ยไม่ยังไม่ใช่สารณะของเราเนี่ยนะแม้กระทั่งภิกษุภิกษุณีเป็นต้นที่บวชเข้ามาเนี่ยนะท่านไม่ใช่สารณะของเรานะีสารณะของเราคือผู้ที่มีคุณธรรมผู้ที่บรรลุมรสผลเพราะว่าภิกษุหรือภิกษุณีสัมมเนนเป็นต้นที่ท่านบวชเข้ามาเนี่ยนะ ท่านก็อาจจะยังไม่ได้บรรลุมรรคผลเมื่อท่านยังไม่บรรลุมรรคผลท่านก็ไม่ใช่สารณะของเราเนี่ยนะแต่การกราบการไหว้เป็นต้นในท่านเหล่านั้นสารณะของเราไม่ขาดไม่ไม่เศร้าหมองอะไรเนี่ยนะก็แยกแยะว่าภิกษุบุคคลเป็นต้นกับพระสงฆ์ที่เป็นสารณะของเราเนี่ยคนละอย่างกันแต่ถ้าหากว่าผู้ที่เรานับถือถ้ามีคุณธรรมคือมรรคผลนิพพานอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้ท่านก็หนึ่งในสารณะของเราทั้งหลายแต่ ถ้ากล่าวถึงในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะพระมหากาจยนะก็มีกษัตริย์บางท่านเป็นต้นเนี่ยนะไปขอถึงท่านเป็นสารณะท่านไม่ยอมบังท่านบอกว่าให้ไปถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะเธอว่างับเนี่ยนะอนะอุภาพอารยบุคคลทั้งหลายก็จะลักษณะนั้นท่านจะดึงไปหาพระรัตนตรยัยท่านจะไม่ดึงไปหาตัวท่านอะไรเลยเนี่ยนะถึงเพราะว่าท่านเองก็หนึ่งในจํานวนของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายแต่คำว่าสงฆ์ทั้งหลายไม่ใช่ตัวท่านคนเดียว คนอื่นๆก็ชื่อว่าสงด้วยพระอริยะองค์อื่นๆก็ชื่อว่าสงด้วยเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่น้อมเข้ามาหาตัวท่านเองแต่เพียงผู้เดียวว่างั้นเพราะฉะนั้นท่านให้เข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมแล้วก็หมู่พระอริยะสงฆ์ทั้งหลายว่าเป็นสารณะเนี่ยนะก็แยกให้ออกว่าส่วนไหนเป็นสารณะส่วนคำว่าสงเนี่ยนะสมมุติสงไม่ใช่สารณะนะ ทีนี้ถามว่าทําไมจึงเอาพระพุทธเจ้าเป็ น, นเบื้องแรกนะพระธรรมเป็นอันดับต่อมาแล้วก็พระสงฆ์เป็นอันดับสุดท้ายท่านอธิบายว่าท่านประกาศพระพุทธเจ้าเป็นอันดับแรกเพราะเป็นผู้เลิศแห่งสัตว์ทั้งปวงนี่นะบอกว่าผู้ที่เลิศที่สุดนี่นะพระพุทธเจ้าเลิศที่สุดนี่นะบรรดาสัตว์สองเท่าสัตว์4เท่าสัตว์มีเท่าหรือใครก็ตามพระพุทธเจ้าเลิศที่สุดทีนี้ประกาศพระธรรมเป็นอันดับต่อมาเพราะพระธรรมนี่เป็นแดนเกิดของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้านี้บรรลุเพราะอาศัยธรรมะนะและเพราะธรรมะที่พระพุทธเจ้านั้นทรงนําออกมาสั่งสอนแล้วพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเพราะพระธรรมแล้วสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือพระธรรมนั้นก็เลยยกพระธรรมเป็นอันดับที่สองประกาศพระสงค์เป็นอันดับสุดท้ายเพราะเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งพระธรรมนั้นเนี่ยนะเพราะ อ, อะไรคําว่าพระธรรมคือโดยเฉพาะอรยิยมรรคและนิพพานเนี่ยพระสงค์เนี่ยนะเข้าถึงพระธรรมอันนั้น และพระสงฆ์เนี่ยซ่องเสพ ธ, ธรรมะเหล่านั้นเนี่ยนะอีกนัยยะหนึ่งท่านประกาศพระพุทธเจ้าเป็นอันดับแรกเพราะทรงประกาศเพราะทรงประกอบสัตว์ทั้งปวงเอาไว้ในหิตะประโยชน์คําว่าหิตะประโยชน์คือประโยชน์เกื้อกูลเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่นําสัตว์ให้เข้าถึงประโยชน์เกื้อกูลเช่นมรรคผลนิพพานเป็นต้นแล้วก็ประกาศพระธรรมเป็นอันดับต่อมาก็เพราะว่าพระธรรมนี้เป็นแดนเกิดแห่งพระพุทธเจ้า และพระธรรมนั้นเป็นหิตะประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงเลยนะพระธรรมนี่นะชื่อวาอ่าให้ประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์จริงจริงเนี่ยนะคืออริยมรรคนิพพานนะนะแล้วก็ประกาศพระสงฆ์เป็นอันดับสุดท้ายเพราะพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุหิตะประโยชน์คือบรรลุอริยมรรคคาว่าประโยชน์เกื้อกูลจริงๆก็ต้องระดับมรรคผลนิพพานเป็นต้นนะนะพระสงฆ์นี้ท่านเป็นผู้ปฏิบัติ บ, ต บ, ตบรรลุถึงประโยชน์เหล่านั้นและมีประโยชน์เหล่านั้นบรรลุแล้วเนี่ยนะ กำหนดโดยความเป็นสารณะอันนี้ก็เรียบเรียงให้เห็นความสําคัญว่าอะไรหนึ่งสองสเนี่ยนะพระพุทธเจ้านี่อันดับหนึ่งนะพระธรรมเป็นอันดับต่อมาพระสงฆ์เป็นอันดับที่ที่สเนี่ยนะสะัพพุตํานวนหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ในฐานะผู้แทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะและ้วพระพุทธเจ้าก็เลยยกมาเป็นอันดับหนึ่งในฐานะเป็นผู้เลิศผู้ประเสริฐที่สุดพระธรรมเป็นอันดับสองเพราะว่าพระพุทธเจ้าที่บรรลุพระ บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเพราะอาศัยอริยสัจแล้วคาสอนของพระพุทธเจ้าก็คือสอนเรื่องอริยสัจแล้วก็ยกพระสงค์เป็นอันดับต่อมาเพราะพระสงค์เป็นผู้ที่ปฏิบัติบรรลุอริยสัจแล้วก็ส่องเเสพอยู่ในอริยสัจ ท, ทั้งหลายนั่นเองเนี่ยนะทีนี้พูดถึงข้ออุปมาเนี่ยนะถ้าจะเข้าใจเรื่องคุณของพระรัตนะตรายชัดเจนก็ต้องอาศัยข้ออุปมานะเวลาไป ได้เกี่ยวข้องกับอะไรก็ทําให้นึกถึงพระรัตนตรายได้ในข้ออุปมาเนี่ยนะท่านยกมาอุปมายี่สิบสองในเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นในยี่สิบสองในไปเห็นอะไรก็น่าจะนึกถึงสาระสักอย่างหนึ่งนะเหมือนโยมบางท่านไปเห็นดวงอาทิตย์เข้าก็นึกถึงสาระคมนี้ก็ได้นะเห็นดวงจันทร์ก็นึกถึงสาระคมได้ข้ออุปมามีต่อไปว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยเปรียบเหมือนพระจันทร์เพนพระธรรมเนี่ยเปรียบเหมือนกลุ่มรัศมีของพระจันทร์พระสงฆ์เปรียบเหมือนโลกที่เอิบอิ่มไปด้วยรัศมีของพระจันทร์เพนที่ทําให้เกิดขึ้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเห็นดวงจันทร์ที่สว่างสวยก็นึกถึงพระพุทธเจ้ารัศมีของพระจัน์ก็เหมือนกับพระธรรมเนี่ยนะหมู่ชนที่เอิบอิ่มไปด้วยรัศมีพระจันทร์ก็คือเหมือนกับพระอริยสงฆ์ทั้งหลายหรือพระพุทธเจ้าก็เปรียบเหมือนดวงอาทิตย์ทอแสงอ่อนๆพระธรรมก็ กล่าวเปรียบเหมือนขายรศมีของดวงอาทิตย์นั้นพระสงฆ์ก็เปรียบเหมือนโลกที่ดวงอาทิตย์นั้นกำจัดความมืดเสียแล้วพระพุทธเจ้าก็เปรียบเหมือนคนเผาป่าพระธรรมก็พระธรรมเครื่องเผากิเลสคือป่าเปรียบเหมือนไฟเผาป่าพระสงฆ์ที่เป็นบุญยเขตคือนาบุญเนี่ยนะเพราะเผากิเลสได้แล้วเปรียบเหมือนภูมิภาคที่เป็นเขตนาเพราะเผาป่าเสียแล้วเนี่ยนะพุทธเจ้าบอกว่าเธอทั้งหลายจง ทำลายป่าคือกิเลสนะแต่อย่าตัดต้นไม้ว่านั้นนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ยังสอนอยู่เลยนะนะท่นให้เผาป่าคือกิเลสนะแต่อย่าไปตัดต้นไม้เดี๋ยวเป็นอาบัตนะิหนังสือนะนะเสร็จแล้วพระสงฆ์ทั้งหลายที่ท่านเผาป่าคือกิเลสได้หมดท่านก็เลยเป็นนาบุญของโลกเลยพระพุทธเจ้านี้ก็เปรียบเหมือนเมฆฝนใหญ่พระธรรมก็เปรียบเหมือนน้ําฝนพระสงฆ์ผู้ระงับละอองกิเลสเปรียบเหมือนชนบทที่ระงับฝุ่นละอองเนี่ย น, นะเพราะฝนตก เพราะฉะนั้นฝนตกที่ไหนฝนตกเมื่อไหร่เนี่ยนะก็นึกถึงพระตนตตายก็ได้นะเวลาฝนตกเนี่ยนะหรือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเปรียบเหมือนสารถีที่ดีพระธรรมเปรียบเหมือนอุบายฝึกม้าอาชาในพระสงฆ์เปรียบเหมือนฝูงม้าอาชาในที่ฝึกดีแล้วเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเหมือนกับผู้ฝึกพระธรรมก็เหมือนกับเครื่องมือในการฝึก นะวิธีฝึกเหมือนันเถอะพระสงฆ์ก็เหมือนกับผู้ที่ได้รับการฝึกเรียบร้อยแล้ว น, นะนะพระบอกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะถ้าเปรียบไปแล้วเนี่ยนะสัตว์ช้างมาฝึกเนี่ยนะอย่างมากก็วิ่งไปได้ทิศเดียวแต่พระสงฆ์ที่ฝึกแล้วนะนั่งอยู่ที่เดียวไปได้แปดทิศเหมือนนนะปฐมฌ า, านชื่อว่าทิศหนึ่งทุติยฌ า, านเป็นต้นก็ชื่อว่าทิศหนึ่งอนะั้นเพราะฉะนั้นถ้าพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าฝึกไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยโหเปิ บรรลุมรรคผลนิพพานฌานอภิญญาสมาบัตทั้งหมดนั่นแหละ่างั้นเพราะฉะนั้นพระสงค์เนี่ยในฐานะผู้ฝึกดีแล้วหรือว่าพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนศัลยแพทย์นะหมอผ่าตัดมางั้นเพราะทร์ถอนลูกศอนคือทิฐิได้หมดพระธรรมก็เปรียบเหมือนอุบายที่ถอนลูกศร อ, ออกได้พระสงค์ผู้ถอนลูกศอนคือทิฐิเนี่ยนะออกแล้วเปรียบเหมือนชนที่ถูกถอนลูกศอนออกแล้ว นะคาว่าลูกศรเนี่ยนะเป็นชื่อของราคะโทสะโมหะมานะทิฐิกิเลสทุจริตพวกนี้เป็นชื่อของลูกศรทั้งหมดเลยพระพุทธเจ้าเป็นหมอผ่าลูกศอนเหล่านี้เนี่ยนะพระธรรมก็เหมือนกับอุบายหรือวิธีผ่าว่า ง, งั้นพระสงฆ์ก็เหมือนกับผู้ที่ถูกผ่าลูกศรคือกิเลสบาปอกุศลออกได้หมดแล้วอีกในหนึ่งพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนจกักษุแพทย์เพราะทรงโลกพื้นชั้นโมหะออกได้แล้ว นะลอกไ อ, ไอโมหะที่มันปิดบังดวงตาเอาหมดนะ น, นะพระทําทเปรียบเหมือนอุบายลอกพื้นตาพระสงฆ์ผู้มีพื้นตาอันลอกแล้วผู้มีดวงตาคือยานอันสดใสเปรียบเหมือนชนที่ลอกพื้นตาออกแล้วมีดวงตาสดใสนะถ้าสัตว์ทั้งหลายเหมือนกับสัตว์ตาบอดใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็มาลอกให้มองเห็นอริยสัจได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นลืมตามองเห็นก็นึกถึงพระพุทธเจ้านะนึกถึงได้ไหม ออพระพุทธเจ้าเหมือนหมอลอกตาอะไรเงี้ย น, นะพระธรรมก็เหมือนกับวิธีการลอกโมหะออกจากดวงตานะพระสงฆ์ก็คือผู้ที่มีตาปัญญาดีแล้วมองเห็นอริยสัจเป็นต้นนั่นแหละหรืออีกในหนึ่งพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนแพทย์ผู้ฉลาดเพราะทรงสา ม, มารถกําจัดพยาธิคือกิเลสพร้อมทั้งอนุสัยออกได้นี่นนะพระธรรมก็เหมือนกับเภสัชคือยาที่ทรงปรุงถูกต้องแล้ว นะยาคือสติปัฏฐานเป็นต้นเนี่ยปรุงอย่างถูกต้องโดยเฉพาะยาคืออะยมักเนี่ยนะพระสงฆ์ก็คือผู้ที่มีพยาธิคือกิเลสและอนุสัยระงับแล้วเปรียบเหมือนหมู่ชนที่พยาธิระงับแล้วเพราะประกอบด้วยยาเพราะฉะนั้นผ่านโรงพยาบาลก็นึกไนดะ้เออพระพุทธเจ้าเหมือนหมอเนี่ยนะเยพระธรรมก็เหมือนกับยาพระสงฆ์ก็เหมือนกับคนที่หายไข้แล้วนะเพราะฉะนั้นเห็นที่ไหนไปที่ไหนก็นึกถึงพระรัตนตรัยได้หมดเลย หรือว่าพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนผู้ชี้ทางไงนะพระธรรมก็เปรียบเหมือนทางที่ดีพื้นที่ที่ปลอดภยัยพระสงฆ์ก็เปรียบเหมือนผู้เดินทางถึงที่ที่ปลอดภยัยเงั้นขับรถกลับบ้านเออพระพุทธเจ้าเหมือนคนบอกทางนะพระธรรมนี่เหมือนกัะทางเรียบแบบนี้นะถ้าเราเดินตามทางก็งคือพระธรรมก็นี่แหละก็เป็นพระสงฆ์ไปถ้าปฏิบัติถึงทางของพระ อ, องค์ทางของพระ อ, องค์ทางไหนทางอันประกอบไปด้วยองค์8อันประเสริฐนั่นแหละ หรือถ้าลงเรือเมื่อไหร น, นะบอกพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนนายเรือที่ดีพระธรรมเปรียบเหมือนเรือพระสงฆ์ก็เปรียบเหมือนชนผู้เดินทางไปถึงฝั่งเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเหมือนเจ้าของเรือนะคาว่านาวานี้เป็นชื่อของอรยิยมรรคเนี่ยพระพุทธเจ้าในฐา น, นะเจ้าของเรือคืออรยิยมรรคพระสงฆ์ก็คือเดินทางไปตามเรือของอรยิยมรรคของพระองค์ก็พ้นทุกข์ได้เนี่ยนะเพราะที่ว่าพระพุทธเจ้าตั้งความปาถนาไว้นะตั้งแต่ยังไม่ได้บรรลุว่า ขอให้ขึ้นสู่ธรรมนาวานะแล้วก็พาเทวดาและมนุษย์ให้ข้ามด้วยคําว่าธรรมนาวาเป็นชื่อของอริยมรรคนั่นเองเนี่ยนะหรือว่าพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนป่าหิมพานต์พระธรรมนี่ก็เปรียบเหมือนโอสถยาที่เกิดแต่ป่าหิมพานต์นั้นพระสงฆ์เปรียบเหมือนชนผู้ไม่มีโรคเพราะใช้ ย, ยาเนี่ยนะนี่เห็นป่าเมื่อไหร่นะใครที่ชอบสมุนไพรเออพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับป่านี่แหละที่ ป่าสมุนไพรอะนะพระธรรมก็เหมือนกับตัวยาว่า ง, งันเถอะพระสงฆ์ก็หายโรคจากยาหรือถ้าหากว่าใครที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องมรดกเรื่องทรัพย์สินเงินทองก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนผู้ประทานทรัพย์พระธรรมเปรียบเหมือนทรัพย์พระสงฆ์ผู้ได้อริยทรัพย์มาโดยชอบเปรียบเหมือนชนผู้ได้ทรัพย์ตามที่ประสงค์ว่า ง, งันเถอะก็บอกเจ้าของขุมทรัพย์ว่า ง, งันเถอะพระธรรมก็เหมือนกับขุมทรัพย์นะพระสงฆ์ก็คือผู้ที่ได้รับ ขุมทรัพย์นะใครชอบแก้วแหวนเงินทองชอบธนาสารสมบัติก็เอาแบบนี้ไปหรือว่าพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนผู้ชี้ขุมทรัพย์พระธรรมเปรียบเหมือนขุมทรัพย์พระสงฆ์ก็เหมือนชนผู้ได้ขุมทรัพย์หรืออีกในหนึ่งบอกพระพุทธเจ้าผู้เป็นวีรบุรุษเปรียบเหมือนผู้ประธานความไม่มีภัยเนี่ยนะคนกล้าว่างั้นเถอะ พระพุทธเจ้าเหมือนคนกล้าพระธรรมก็เปรียบเหมือนความไม่มีภัยพระสงค์ผู้ล่วงภัยทุกอย่างเปรียบเหมือนชนผู้ถึงความไม่มีภัย น, นนะเพราะฉะนั้นที่ไหนที่พระพุทธเจ้าเสด็จแล้วเนี่ยนะที่นั่นไม่มีภัยเหมงอนกันเถอะโดยเฉพาะมรรคผลเนี่ยไม่มีภัยจริงๆเพราะฉะนั้นพระสงค์ที่เข้าถึงมรรคผลก็ไม่มีภัยเลยพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนผู้ปลอบน่นนะ ก็รว่าคนปลอบคนโยนเนี่ยนะคนสำเน ว, นว่าคล้ายๆกับคนเอาอกเอาใจนะแต่เอาอกเอาใจมันก็อาจจะทางกิเลสไปแต่คนที่ได้รับความทุกข์ใจเนี่ยนะพระพุทธเจ้าทรงปลอบเนี่นะเหมือนที่พระองค์ปลอบสัน ต, ติมหามาัตตรตาจาระเออเธอมาถูกที่แล้วมาดีแล้วเป็นต้นเนี่ยนะ พระธรรมก็เปรียบเหมือนการปลอบพระสงฆ์ก็เหมือนกับชนผู้ถูกปลอบเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพวกใครที่พระพุทธเจ้าปลอบใจเนี่ยโล่งใจหมดเลยเนี่ยนะเพราะพ้นจากอบายทุกติวินิบาตพ้นจากทุกเพราะฉะนั้นอริยาสาวกทั้งหลายพอท่านบรรลุมรรคผลเนี่ยท่านเปลงอุทานเสมอว่าการมาสู่สำนักของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการมาดีแล้วหนอวิชาสามปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดอภิญญาหนะท่านได้หมดเลยเหมือนกันเถอะมาไม่ผิดหวังมาถูกที่จริงจริงเหมืนกัน รพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนมิตร ด, ดีพระธรรมเนี่ยนะเหมือนคาสอนที่ประกอบด้วยประโยชน์เกื้อกูลพระสงค์เปรียบเหมือนชนผู้ประสบประโยชน์ตนเพราะประกอบไปด้วยประโยชน์เกื้อกูลเหมืนกันว่ากัลยาณมิตรเนี่ยนะ คำสอนของกาลยานมิตรพระสงค์ก็คือผู้ที่ได้รับกาลยานมิตรที่ดีที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอนุว่าดูก่อนอนุสัตทั้งหลายผู้มีชาติเป็นธรรมดาเนี่ยนะอาศัยพระองค์เป็นกาลยานมิตรก็เลยพ้นจากชาติเัมืนั้นสัตว์ทั้งหลายมีชรามรณะโสกกะปริเทวะทุกโทมนณอุปายาตเป็นธรรมดาพออาศัยพระพุทธเจ้าผู้เป็นกาลยานมิตรก็เลยพ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนณและอุปายาตเหล่านั้นได้ หรือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเปรียบเหมือนบ่อกเกิดทรัพย์พระธรรมก็เปรียบเหมือนทรัพย์ที่เป็นสาระพระสงฆ์ก็เปรียบเหมือนชนผู้ใช้ทรัพย์ที่เป็นสาระคือแก่นสารพระพุทธเจ้าก็เปรียบเหมือนผู้อ่ะนะผู้ทรงสงสนานราชกุมารก็เป็นคนอาบน้าให้ราชกุมาร น, นะนะพระธรรมก็เปรียบเหมือนน้าที่สนานตลอดพระเสียรเนี่ยนะโอ้เพราะว่าพระธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเย็นจริงจเหมือนกันนะ พระสงฆ์ผ LIKE ู้สงสนานดีแล้วด้วยน้ําคือพระสัทธรรมเปรียบเหมือนหมู่พระราชกุมารที่สงสนานดีแล้วนะก็เหมือนกับคนอาบน้ําให้นะพระธรรมก็เหมือนกันน้ําพระสงฆ์ก็เหมือนกับผู้ที่ถูกอาบน้ําเรียบร้อยชําระกิเลสออกหมดเลยพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนช่างผู้ทําเครื่องประดับพระธรรมก็เหมือนกับเครื่องประดับพระสงฆ์ผู้ประดับด้วยพระศัทธรรมเปรียบเหมือนหมู่ราชโอรสที่ทรงประดับแล้วอันใครที่เห็นเครื่องประดับเนี่นะโอ้พระพุทธเจ้าเนี่ยผู้ เจ้าของเครื่องประดับนะว่างั้นนะใครที่มีเครื่องประดับเออมีเครื่องประดับคือพระธรรมเนี่ยนะก็เห็นใครใช้ของเครื่องประดับก็นึกถึงพระรัตรนตรายได้หมดเลยนะหรือว่าพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนต้นจันทร์ถ้าทำนี่เปรียบเหมือนกลิ่นจันทร์อันเกิดแต่ต้นจันทร์นั้นพระสงฆ์ผู้ระงับความเร่าร้อนได้สิ้นเชิงเพราะอุปโภคใช้สอยพระสัตธรรมเปรียบเหมือนชนผู้ระงับความเร่าร้อนได้เพราะใช้จันทร์เนี่ยนะจันทร์เนี่ยนะ คุณสมบัติของเขาคือให้ความเย็นพระุทธเจ้าก็เหมือนกระต้นจันเหมือนกันที่มาของความเย็นเหมือนกนเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ใช้สอยจันทร์นี้ก็เย็นพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนบิดามอบมรดกโดยธรรมพระธรรมก็เปรียบเหมือนมรดกพระสงฆ์ผู้สืบทอดมรดกคือพระศาสนาก็เหมือนกับบุตรผู้สืบทอดมรดกนั่นแหะ พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนดอกประทุมที่บานเหมือนดอกบัวนะพระธรรมก็เหมือนน้าต้อยที่เกิดจากดอกประทุมที่บานนั้นกอกน้ําหวานของดอกประทุมนั่นเองพระสงฆ์ก็เปรียบเหมือนหมู่พมรคือพึ่งที่ดูดกินน้ําต้อยนั้นน้ําหวานจากดอกบัวอันนั้นนั่นเองอันนี้เพราะฉะนั้นเห็นดอกบัวก็นึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้นั่นเองนะโมตัสสะเบกวะโด กระห่าโดสามาสามบุกดาษบุ a แดนสรนังกาชามีธรรมสร h ังกาชามีสังฆสรนังก c h ามีทูด a อามบีบุกแดนสรนังกาชามีท a ดีอามบีธรรมสรนังกาชามีทูดีอามบีสังฆสรนังก c h าม i ตาดียังบีบกังสารนังกาชามีตาดียังบีทามาสารนังกาชามีตาดียังบีสังฆาสรนังกาชามีสารนาติยา